ก็คือกฎกติกากฎหมายกฎระเบียบตอนที่พระสงค์จะอยู่ด้วยกันเมื่อพระสงค์อยู่ด้วยกันหลายๆองค์การอยู่ด้วยกันการใช้ของรวมกันใช้โต๊ะใช้เก้าอี้ใช้เสนาสนะอยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันปฏิบัติอย่างไรดังภิกษุที่อยู่กุฏิใกล้กันเวลาเอาผ้าออกมาตากสะบัด กระตุกผ้าให้เสียงดังก็ปรับอวบัดทุกกฎถ้าเอาไม้มาตีให้ฝุ่นคลุ้งไปอยู่ใกล้กุฏิของท่านผู้อื่นปรับอวบัดทุกกฎมีเยอะเหลือเกินสรุปแล้วก็คือการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบระหว่าการไปนั่งไปนั่งพิงต้นเสาหรือไปนั่งพิงฝาเหงือไปถูกเสาไปถูกฝามันเป็นด่างสีหลด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 ทำไมมีอาวุโสพันเตละ่ะก็มันแบ่งกันโดยชั้นมันแบ่งกันโดยฐานะเอวาการเป็นอยู่มันแบ่งกันโดย เ, เรื่องเราอยู่แล้ววันนี้ใคพวกเราท่านทั้งหลายนะสิ่งเหล่านี้ถ้าพวกรนันพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยได้ปร่นราปร่นไปหมดถึงจะออกไปจากหลวงพ่อไปอยู่เป็นสมภารก็วางตัวถูก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 ทันมอบหมายมาให้ทำจากนั้นก่อนเราก็ดูกระย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นผมไม่เคยทุกข์กับทางด้านวัตถุเป็นไปพ อ, พอเป็นพอไปสิ่งไหนที่เกิดขึ้นมาก็ดูให้ดีรักสงวนห่วงแหนที่เขามอบมอบมอบมาให้ใช้ให้เป็นเราจะไม่ใช้ทิ้งทิ้งคว่างๆเก็บหอมรอมริบ เก็บไม่ใช่เก็บแต่เฉพาะเผื่อตนเองเก็บเผื่อหมูเผื่อเพื่อนด้วยถ้าเผื่อต่อไปพ้ายภาคหน้าทำมันไม่มีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเอาให้หมูเพื่อนได้ใช้เก็บไว้เพื่อหมูเพื่อเพื่อนเก็บไว้เพื่อครูบาอาจารย์แล้วก็รักษาไว้เพื่อศรัทธาญาติโยมอีกทางหากนี่แหละมันเราเกิดมามีพักมีพวกมีหมูมีเพื่อนมีญาติมีโยมมีศรัทธาญาติโยมเ็มาเกี่ยวข้อง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 ต่อไปในอนาคต น, นี่แหละคือการเป็นอยู่ของฆราวาสญาติโยมพวกเราคิดดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของพระอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมตัวใช้อะไรคลองไปอใช้ทิ้งทิ้งคว่างคว่างาทิ้งใช้ไม่ได้ใส่ใจสนใจเผื่อฆราวาสญาติโยมก็มาเห็นนนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลแล้วพวกพระของเราเนี่ยพระบวดใหมนี่นะ